ญาติโยมทุกคนน ะ, <c oughs> ะก็ฝึกนั่งอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆนะเวลามีเวลาว่างก็นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกของเราเฉลินานาปานสติ ได้เจริญได้มากทำได้มากซึ่งอานาปานสติผลที่หวังได้สองอย่างก็คือพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีในปัจจุบันนะก็ให้เราหมั่นทำเรื่อยนะให้เป็นนิสัยนะวันนี้ก็มีเรื่องมรรควิธีที่ง่ายนะ จะมาให้พวกเราได้ทราบหนังสือคงได้กันแล้วมัง้งได้แล้วนะ ไปในมักวิธีที่ง่ายเดี๋ยวะจะให้ดู <c oughs> เรื่องของอเส์ครับ เสขภูมินะภูมิของพระเสขากับภูมิของพระอะเสขานะไปเจออีกสองสามพสูตรที่เป็นธรรมะแวดล้อมของความเป็นพระโตดบันนะซึ่งน่าสนใจพอสมควรนะวา่าความเป็นโสดะบันหรือความเป็นอะไรบุคคลเนี่ยวัดกันที่ตรงไหนไปเจอมาอีกนะ เราจะได้ทราบมีเครื่องวัดอันนี้ก็จะบรรจุเข้าไปในธรรมะแวดล้อมของอคู่มือโสดาบันนะเพราะนี้เป็นระดับเสขะซึ่งไล่ตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคานะ <c oughs> <c oughs> ถ้าผู้มีพระภากตัดเรียกพิสูจทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูก่อนพิษุทั้งหลา ย, ลารลายปรยายที่พิสูผูเป็นเสขาอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิพึงรู้ว่าเราเป็นพระเสขาที่พิสูผู้เป็นอาเสขาอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอาเสขภูมิพึงรู้ว่าเราเป็นพระอาเสขะมีอยู่หรือ พระเจ้าก็บอกว่านะมีอยูนะ่มีอยู่อย่างไรนะในอันแรกก็บอกว่าภิก <c> ษ <oughs> ุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุทยัยนิทุกขะนิโรธนทิทุกขะนิโรธคาม่มีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริยายแม่นิแล ที่พิสูจ์ผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในภูมิตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นพระเสขะอันนี้จะสอดรับกับที่สถานที่สามแห่งที่พิสูจนจะจำได้ตลอดชีวิตก็คือหนึ่งที่เกิดของตนเองที่ที่ตนตนเองบวชเป็นพระที่ที่สองที่ที่ตนเองรู้อริสัตซีนะก็คือกวเข้าสู่ความเป็นโสดาบันบุคคล ซึ่งมุมนี้ถ้าคนไม่ได้ดูพุทธวิชนะจะเข้าใจว่าเป็นพระละหัน์ซึ่งไม่ใช่นะแต่คือความเป็นโสดาบันและสถานที่ที่สมคือที่ที่รบชนะฆ่าศึกนะก็คือได้เป็นพระละหันนะที่ผู้เจ้าจะเปรียบเทียบเหมือนสถานที่3ามแห่งที่กษัตริย์จะจําได้ตลอดชีวิตคือที่เกิดและที่ได้รับมรุทธาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์และที่รบชนะฆ่าศึกนะ พิสูจนก็เหมือนกันนะนัะนี้จะมีแฝ ง, นะงอยู่ในอริยญายธรรมนะโดยบทพิ็นะเนี่ยแฝงอยู่ในอริยญายธรรมอยู่แต่ที่เดียวๆเวนี่ยจะมีตัวนี้นะที่เดียวๆนะนั้นตรงนี้ก็เราจะเห็นว่าเป็นเครื่องวัด ของความเป็นอริยบุคคลในระดับของเสกขัผู้ที่ยังต้องศึกษาอีกมุมหนึ่งมุมนี้ก็ชัดเจนอีกเหมือนกันดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายอีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้เป็นเสขะย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าสมณะหรือพรามอื่นภายนอกจากาศาสนานี้ซึ่งจะแสดงธรรมที่แท้จริงแน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคมีอยู่หรือพระเสขะนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสมณะหรือพรามอื่นภายนอกจากาศาสนานี้ซึ่งจะแสดงธรรมที่แท้จริงนะที่จริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคไม่มี ดูก่อนพิสษจทั้งหลายปรยายแม้นี้แหลที่พิสูจน์ผู้เป็นเสกขอาศัยแล้วตั้งอยู่ในในเสกภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสกขาเขาจะรู้ชัดเลยว่าธรรมะขนาดนี้ยไม่มีในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะเขาจะมั่นคงในพระาศาสดาเขาว่ า, าศาสดาเขาเนี่ยแสดงธรรมยอดเยี่ยมที่สุดมั่นคงตรงนี้มีภูมิปัญญาวัดได้ว่า ศาสดาฉันเนี่ยแสดงธรรมเก่งที่สุดเลิศที่สุดไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดแสดงธรรมได้เลิศกว่าศาสดาแล้วลประเด็นนี้สำคัญกันเห็นไหม น, นะนั่นคือเขาร้อยเปอร์เซนกับผร้เจ้าเป๊ะเลยเนี่ยเป็นเครื่องวัดเสกภูมิเลยนะเนี่ยน่าสนใจมากตรงนี้อีอกนยยะหนึ่งนะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุผู้เป็นเซขาย่อมรู้ชัดซึ่งอินรีย์5คือสัตตินสี่วิริยนินรีย์ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะมีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใ ด, เ ป, งดเป็นอย่างยิ่งมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นที่สุดภิกษุผู้เป็นเซขายังไม่ถูกต้องสิ่งนั้นด้วยนามกาย แต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาดูก่อนพิสูจทั้งหลายปรยายแม้นี่แหลที่พิสูจผู้เป็นเสกขาอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสกภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสกขาเขารู้ว่าศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาของเขานะด้วยกําลังเขาขนาดเนี้ยคติที่ไปเขาจะเป็นอย่างไรนะอ่า มีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่งสิ่งใดเป็นผลสิ่งใดเป็นที่สุดที่สุดก็คือนิพพานแน่นอนนะมีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่งมีสิ่งใดเป็นผลเขาจะรู้ว่าเขาสิ้นแล้วซึ่งอบายทุกติวิิวนิบาตนรกนะอย่างพระนาคามีก็จะรู้แน่นอนเลยว่าการกลับมาสู่โลกนี้อีกของเขาเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายของเขากระทบแล้วปุ๊บอารมณ์มันดับทันที นั้นคนคนนั้นรู้ประจักษ์เป็นประจัดตังแน่นอนว่าการจะกลับมาได้ดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่มีละที่ไปเขาเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนในระดับไหนเขาจะทราบส่วนโซดาบันซึ่งยังมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็จะรู้ว่าคติที่ไปของตนเองสงสัยคงจะเวียนว่ายอยู่ในพบมนุษย์ขึ้นไปอีกอย่างน้อยสักเจ็ชาติแต่เที่ยงแท้ต่อ น, นิพพานแน่นอน จะมีความมั่นคงขนาดนั้นอเรียกว่าวัดผลของตัวเองเนี่ยได้ระดับหนึ่งเลยนะแล้วปิสูผู้เป็นเสขะยังไม่ถูกต้องสิ่งนั้นด้วยนามกายก็คือพระเสขาเนี่ยจะรู้ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้สัมผัสมิตรานด้วยนามกายเห็นไหมยังไม่ถูกต้องเป้าหมายนั้น นั่นนี่ก็เป็นตัววัดอีกอันว่าพระระดับเสขาเนี่ยโซดาสกิทาคาอนาคาเนี่ยยังไม่เข้าถึงนิพพานแน่นอนนะซึ่งจะสอดรับกับพระสูตรที่พู้เจ้าบอกว่าคนที่ต้องการเห็นช้างมหานาคช้างใหญ่เดินเข้าไปปั๊บเนี่ยเห็นรอยเท้าช้างนี่โซดาบันเห็นรอยสีตัวของช้างข้างๆต้นไม้นี่สกัตาคามี เห็นรอยที่ช้างเอางวงหักกิ่งอนาคามีเห็นนะยังไม่เห็นตัวช้างนะเห็นล่องรอยล่องลอย อ, อจะสอดรับกันเห็นนะเอเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกอริบุคคนี่เข้าไปเห็นเนี่ยไม่ใช่ละนะอาจจะขัดกับพุทธวจะนะอนะนั้นผู้ที่เห็นเนี่ยหรือสัมผัสด้วยนามการเนี่ยคืออศาศัข่าพระหลันเท่านั้นนะนั้นโสดาสกิทาคาอนาคตจะเห็นแค่ล่องรอยนะมีความ มั่นคงมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วนะอืมเนี่ยจะเห็นถึงความสอดรับของคําพระศ า, ศาสดาเขาจะรู้ว่าเขายังไม่ถูกต้องสิ่งนั้นด้วยนามกายแต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาปัญญาเขาเข้าใจแล้วนะว่าจะเข้ายังไงจะออกยังไงจิตทํางานยังไงจะปล่อยวางยังไงเข้าใจหมดนะอืมทีนี้ไปดูอาเซค่ะ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ปริยายที่พิกษุผู้เป็นอเซคาอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเซคภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นปลาาเสคาเป็นชนัยพิกษุผู้เป็นอเซคาในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งอินรี่หนะ้สัตตินรียไล่ไปศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีสิ่งใดเป็นกติมีสิ่งใ ด, เ ป, งดเป็นอย่างยิ่งมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นที่สุดเขารู้ชัดแล้วว่าเขาเนี่ย สิงนิพพานแล้วแน่นอนนะที่ไปเขาเป็นยังไงนะนั้นพระเจ้าจึงสามารถบรรลือศีลนาาได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์นะหรือพระอาหารหันต์ก็จะบอกว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วโภมจันท ร, ร์อยู่จบแล้วกิจที่คนทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้เขาจะรู้ชัดประจักษ์ใจเขาว่าการเกิดไม่มีอีกต่อไปนะอริยสาวก ผู้เป็นอาเซขะถูกต้องสิ่งนั้นด้วยนามกายนี่คือความต่างกันของอเซคะในในยะเมสครูนี้เห็นนะอพออาเซข่ะปั๊บเนี่ยเขาจะถูกต้องสิ่งนั้นด้วยนามกายและเห็นแจ้งทงตลอดด้วยปัญญาดูก่อนพิสูจทั้งหลายปรยายแม้นี่แหลที่พิสูจนผู้เป็นอาเซขะอาศัยและตั้งอยู่ในอาเซขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระอาเซขะ ตรงนี้บาลีสามรัตตกอ่ออางไปหนึ่งตัวเห็นนะอ่าเวลาเราตรวจหนังสือปั๊บเราจะเจอตรงเนี้ยแต่เราก็ไม่แก้เขานะเพราะเรายังไม่มีอำนาจในการแก้เราจะใส่หมายเหตุไว้เฉ ย, เฉยว่าตกอ้ อ, อ่างพอเช็คกลับไปในบาลีปุ๊บบาลีมีอ้ออ่างแต่ภาษาไทยตกไปอ่านะนั้นเวลาอ่านบาลีสามลัตก็ระวังด้วยจะมีตกหลนตรงนี้เป็นระยะนะอืม อีกหนึ่งหนึ่งของอเซข่ะภิกษุผู้เป็นอาเสข่ะย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีหอินทรีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอริยาสาวกผู้เป็นอาเสข่าย่อมรู้ชัดว่าอินทรีหเหล่านี้จกดับไปหมดสิน้นโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือและอินทรีหเหล่าอื่นจกไม่เกิดขึ้นในภพนไหน ดูก่อนพิสษุทั้งหลายปริยายแม่นี่แหละที่พิสูจผู้เป็นอาเซกะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอาเซกะูมย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นพระอาเคกนะเพราะนั้นเขาจะรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยของเขาดับสนิทโดยประการทั้งปวงแน่นอนและไม่มีพบไหนๆก็คือจะไม่เกิดขึ้นในพบไหนๆไม่มีสถานที่เกิดของจิตเขาอีกแน่นอน ตาหูจมุกลิ้นกายใจเขาจะไม่เกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าการที่วิญญาณขยับออกไปเนี่ยคือการสร้างภพและเมื่อจิตไม่มีการขยับไม่มีการเคลื่อนไหวคือนิ่งสนิทไม่มีจิตที่ไปสร้างการเกิดเขาจะรู้ชัดประจักษ์นั้นการเห็นการเกิดดับมาตลอดทั้งชีวิตจนกระทั่งเห็นสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับคนคนนั้นรู้รู้ตัวเองแน่นอนอย่างเนี้ย ตนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะรวมคุณธรรมของความเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาสักเล่มหนึ่งซึ่งเครื่องวัดสอบความเป็นพระอรหันต์อีกนัยยะหนึ่งที่มีอยู่ในอริสัตจะประวัตที่ท่านพุทธทารมก็คื อ, อ, อ, อ, อ, อพระอรหันต์ผู้นั้นจะรู้ว่าราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนราคะโทสะโมหะไม่ได้ดับเลยนะก็มีราคะโทสะโมหะหมด แต่เห็นตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทุกขณะจิตเลยที่มีอาการจิตเนี่ยพระอรหน์รู้ทันหมดทันตั้งแต่เกิดสตาร์ทแรกสมุ ท, ทยัยชัวทั้งนี้โลดดับหายไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ระดับซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยถ้าใครละความเพลินเรื่อยๆก็จะรู้ว่าเราทันเกิดไม่ทันดับทันดักไม่ทันเกิดไม่ได้ทันตลอดทุกขณะจิตเลยยากมากนั้นด้วยคําพูดพื้นๆแค่เนี้นะพื้นมากเลย ถ้าคนไม่เคยปฏิบัติก็จะอ่านแล้วฟังไม่เข้าใจว่าอะพระละหันทำไมมีราคาโทรสารมาว่าแต่หลุดแล้วรู้ทุกขณะตั้งแต่อาการจิตแรกจนทั้งดับเห็นนะดูคําพูดพระศาสดาเรียบเรียบพื้นๆมากเลยแต่แฝงนัยยะอันลึกซึ้งอยู่ในนั้นนั้นถ้าคนปฏิบัติปุ๊บก็จะเห็นมุมมันลึกซึ้งนี้ทันทีนะและจะตีความพระศาสดาออกว่าอ๋ อ, อทําไมผู้เจ้าตรัสอย่างดีนะเ พ, พราะพระละหันเป็นผู้มีสติสมบูรณ์นะ นั่นจะเห็นทุกอาการจิตเพราะว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวท่านแล้วท่านจะเห็นการเกิดดับของวิญญาณตั้งแต่แรกเกิดจนทั้งดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นจะทั้งดั บ, ด ว, ด, ด, บดวงใหม่เกิดขึ้นจะทั้งดับอยู่ตลอดนะอันนี้ก็คนพบอะไรแล้วก็แบ่งปันกันนะจะได้ทราบนะวิธีตรวจสอบ จะมีในเรื่องของทานของสัตบุรุษนะ <c oughs> าการจําแนกผลของทานเนี่ยบางทีไม่ได้ให้ไปในเรื่องของการได้มาซึ่งโผฆาอย่างเดียวจําแนกไปในเรื่องอื่นด้วยในเรื่องของรูปงามผิวพรรณงามในเรื่องของการมีบุต ร, รยาฆ่าธาตุที่เชื่อฟัง แล้วลักษณะของคนดีให้ทานเป็นยังไงคนไม่ดีให้ทานมีอาการยังไงพูะ้าตรัสไว้อย่างนี้นะเราจะได้แยกแยะออกแล้วเราจะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องดูก่อนพิสุทั้งหลายอสัตบริสทาน5ประการหาประการเป็นชไหนคืออสัตตบรุษคนไม่ดีนะย่อมให้ทานโดยไม่เคารพหนึ่งให้โดยไม่อ่อนน้อมหนึ่ง ไม่ให้ด้วยมือตนเองหนึ่งให้ของที่เป็นเดนหนึ่งไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงให้หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสัพปุริสถานหาประการนี้แหลไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงให้ก็คือเขาไม่เชื่อว่าเขาให้ทานแล้วเขาได้ผลก็ให้ไปอย่างนั้นไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อว่าผลของการให้ทานนั้นมีนะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อว่า ผลของการให้ทานมีคมดีคำชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีจะอยู่ในพวกมิชาทิฏฐินะแต่ถ้าสมาัมมาทิฏฐิเบื้องต้นจะเชื่อเรื่องนี้นะดูกรพิสุทธงหลายสัพพุสสถาน5ประการนี้ห้าประการเป็นจะไหนสัตตบรุษย่อมให้ทานโดยเคารพหนึ่งย่อมให้ทานโดยอ่อนน้อมหนึ่งให้ด้วยมือตนเองหนึ่งให้ของไม่เป็นเดนหนึ่ง เห็นผลที่จะมาถึงให้หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัพปุลิสถานห้าประการนี้แหละเนาะแล้วพระเจ้าจะแยกแยะนะอันนี้สงของการให้โดยเคารพเป็นยังไงให้โดยอ่อนน้อมเป็นยังไงให้ด้วยมือของตนเองเป็นยังไงให้ของไม่เป็นเดนเป็นยังไงแต่และอันเมีย น, นี้สงหมดเลยนะอืม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 คั้งนี้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภค้ามากหน้าดูน่าเริ่มใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นเป็ดผลก็คือบังเกิดผลขึ้นนะมีรูปร่างสวยงามนะเมื่อกี้ตกกำปูดนี่ไปนิดนึงครั้งนี้ทานโดยความกรุบแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคค้ามาก และเป็นผู้มีบุตรภรยาทาตคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเมี่ยโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใครรู้ในที่ที่ทานนั้นบังเกิดผลนะก็คือเปิดผลนะครั้นนี้ทานโดยการนันโคนแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคามากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นเปดผล ครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ฐานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคามากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าสูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นเปิดผลครั้นที้ฐานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคามากและย่อมเป็นผู้มีโภกทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ําจากพระราชาจากโจร จากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาติในที่ที่ทานนั้นบังเกิดผลขึ้นนะเพราะนั้นทรัพย์ของเราจะไม่มีอันตรายนะอันเกิดจากสิ่งเหล่านี้นะจะปลอดภัยนะนี่ก็เป็นผลของการให้ทานอีกเหมือนกันบางคนมีพวกทรัพย์แล้วมันถูกขมโมยถูกสูญหายนะเกิดอันตรายจากสิ่งต่างๆเยอะแยะ ข้าพดีคนให้ทานนั้นเศร้าหมองหรือปราณีก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพจะเริ่มเห็นแง่มุมว่าทานเศร้าหมองหรือปรานิแต่ผลของการเคารพนั้นนะมีน้าหนักมากกว่านะไม่ทาความนอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือของตนเองนะให้ของที่เหลือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้ น, น, นย่อมบังเกิดผลในตระกูลใด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 ทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพนะนั้นแต่ละแง่มุมส่งผลหมดนะพระเจ้าจะเริ่มแตกประเด็นออกไปข้าพดีบุคคลทนบุคคลให้ทานเอาเส้าหมองหรือปราณีบก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพทำความนอบน้อมให้ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทาน ทนั้นนั้นบังเกิดผลในตระกูลใดๆตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคผ้ า, าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อรบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณให้อย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรประยาทาตคนใช้คนทํางานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่น ข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทาโดยเคารพนะนี่แง่มุมของการให้ทานนอกจากจะทำให้เกิดภคทรัพย์แล้วเนี่ยยังส่งผลไปในแง่มุมอื่นอีกนะ <c oughs> เพราะนั้นก็บางทีเห็นบางคนกังวลว่า ให้นี้เราต้องได้หนี่หรือเปล่านะต้องได้เหมือนกับสิ่งที่ให้หรือเปล่าให้ทองหยอดเดี๋ยวต่อไปต้องได้กินทองหยอดนะไราจะส่งผลอย่างอื่นด้วยนะ อ, อันนี้เดี๋ยวมาต่อเรื่อง ของมวิธีที่ง่ายนะ อ, <c oughs> อย่างถ้าเราเปิดไปหน้าที่แปดเห็นไหมที่พู้เจ้าตรัสว่า <c oughs> คูดแม่นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัคนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ถึงบอกอาการที่จิตออกไปรับรู้ปุ๊บเนี่ยคือพบเกิดแล้วยมยิ่งรู้นานเนี่ยยิ่งเหม็นมากนียิ่งเปื้อนอุจจารามากเพราะการออกไปรู้ปุ๊บนี่คือการเปื้อนอุจจาระแล้วแม่นิดเดียวเนี่ยชั่วลักคนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจพระเจ้าจึงให้ละนันทีให้ไหวที่สุดเนี่ย จิตออกไปรับรู้ปั๊บรีบละเลยเพื่อให้พบดับให้ไวที่สุดนะเพราะพบจะเป็นเหตุให้เกิดชาติและชลาหมอนะตามมาเราจะแก้ปัญหาแก่เจ็บตายไม่ได้นะนิจํำหลักการตรงนี้ไวด้ดีๆนี่คือความสอดรับกันในทุกๆพระสูตรนะเพราะฉะนั้นจิตรับรู้ปั๊บนี่วางเลยรับรู้ปั๊บวางเลยนะจะได้ไม่เป <c oughs> ื้อนอุจระเยอะเปื้อนหน่อยเดียวก็แย่แล้วนะ นั่นพยายามอย่าปรุงแต่งอะไรนานนะปรุงแต่งอะไรเพกร็รีบวางรีบวางะพยายามตั้งไว้ซึ่งกยายยกตาสติสำรูมอินทรีย์เอาไว้นะ <c oughs> ในหน้าต่อมาเนี่ย เราจำสั้นๆตรงนี้ก็ได้นะบรรทัดแรกเนี่ยผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นะนะธรรมาว่าพระสูตรนี้เป็นช็อตเด็ดอีกอันหนึ่งที่โอ้จำคีย์เวิร์ดสั้นๆตรงนี้เนี่ยเห็นความสอดรับกันมาว่าจิตที่เข้าไปหาอารมณ์เนี่ยจะไม่หลุดพ้นจิตที่ไม่เข้าไปหาอารมณ์เนี่ยจะหลุดพ้นนั้น นักปฏิบัติจะมองไปเรื่องของจิตหรือวิญญาณกันที่เข้าไปทำงานกับรูปนามทันทีเวลาอ่านอนี้แล้วเวลาเราปฏิบัติเราอ่านปุ๊บจะเข้าใจทันทีเลยนะคนไม่ปฏิบัติก็นึกว่าเราเดินเข้าไปหาเพื่อนเราม้งไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันนะ <laughs> สูตรนี้จะอธิบายถึงการเข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณทีละขันทีละขันทีละขันนะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวตอบได้ถึงการที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยได้ทีละขันทีละขันทีละขันนะเพราะถ้ามันเข้าไปตั้งอาศัยสองขันคู่ผู้ชาก็ต้องอธิบายแล้วเข้าไปตั้งอาศัยในรูปรเวทานาคู่กันเลยนะแต่ไม่มีจะพูดทีละขันทีละขันทีละขันนะอืม นั้นถึงผู้เจ้าไม่ได้บอกว่าวิญญาณ เ, เข้าไปตั้งอาศัยได้ทีละขันแต่โดยอัฏฐาที่ผู้เจ้าอาธิบายแล้วมันบ่งบอกถึงอย่างนั้นนะซึ่งมันไม่สามารถบ่งบอกถึงสองขันคู่กันได้เลยนะ <c oughs> เหมือนให้เราอาธิบายเหมือนกันถ้าความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราจะอธิบายอย่างไงอย่างเนี้ยนะและอีกยอหน้าหนึ่งนะในหน้าที่สิบเนี่ย เราก็จะเห็นผู้ชาตรัด <c oughs> ตรงนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันทีผู้เจ้าบอกว่าผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจากบัญญัติซึ่งการมาการไปมาไปนะการจุติอุบัติจุติคือตายนะอุบัติคือเกิดอุบัติมาจากคำว่าอุปาตะอุบัติคือเกิดขึ้นการจเจริญความงอกงามและความไพูบุญของวิญญาณ โดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาเว้นจากสังการดังนี้นั้นนี่ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยเพราะฉะนั้นการมากันไปของวิญญาณเนี่ยจะไปเดี๋ยวเดียวไม่ได้อย่จะต้องจริงบอกว่าการรับรู้ของเราจะมีสองขันเสมอนะเพราะนั้นที่อัตกถาแต่งกันไปว่ามีขันขันเดียวมีขันสี่ขันห้าขันขันกันเดียวเริ่มผิดละนะเพราะมีไม่ได้นะ การรับรู้ขึ้นมาปั๊บจะต้องสองขันเสมอไม่ขันใดก็ขันหนึ่งซึ่งพระเจ้าบอกเลยว่าการมาไปหรือการเกิดตายของวิญญาณโดยปราศจากขันทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปนไม่ได้นั่นคือมันต้องมีสองขันเสมอนะการรับรู้ขึ้นมาครั้งหนึ่งนี่รู้หลักการพวกนี้นี่โอ้โหเราจะเข้าใจธรรมะอีกเยอะเลยเห็นว่าสูตรนี้นี่สำคัญนะได้ประโยชน์เยอะมากแล้วเราเอาไปตรวจ ในจิตของเราเองได้ด้วยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะไปไปมาไปมาอย่างเงี้ยนะนี่นะนเพื่อนไลเลียงไปจนถึงกระทั่งจิตหลุดพ้นเลยนะถ้าราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังการธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่พิสุทธิ์ลได้แล้วนั้นถ้าเราละราคะมี่แทนตัวเดียวเลยราคะแทนโทสะโมหะทั้งหมดเลยใช้คำว่าราคะตัวเดียว แต่เป็นความพอใจในไหลในขันทั้งห้าเลยถ้าละความพอใจในขันห้าได้แล้วหลุดพ้นเลยนะเพราะน้าราคาได้อารมณ์สำหรับวิญ ญ, ญาณก็ขาดลงถ้ายอมหมดความพอใจในขันทั้งห้าได้แล้วเนี่ยวิญญาณจะไม่เข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใดความพอใจในขันหน้ามันจะหมดลงไปนะอารมณ์สำหรับวิญ ญ, ญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญ ญ, ญาณก็ไม่มี ไม่เข้าไปวิญญาณไม่เข้าไปสู่อารมณ์ใดนะการตั้งอาศัยของวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นนะผู้เจ้าสอนให้เราละความเปลินใช่ไหมวิญญาณเข้าไปปรับเราละละละละจนทั้งเร็วเท่ากระพริบตาผู้เจ้าชมและอินทรีย์พนาชั้นเลิดจากนั้นมันต้องเร็วกว่านั้นอีกโดยไม่ให้เคลื่อนออกไปเข้าไปตั้งอาศัยที่ใดเลยนะวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงาม หลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเมื่อวิญญาณไม่สามารถเข้าไปสู่อารมณ์ใดได้ไดนัคือไม่มีที่ตั้งวิญญาณก็จะไม่เจริญงอกงามไงไม่สามารถงอกขึ้นมาได้ถ้าใครจําพระสูตรที่พระเจ้าเปรียบเหมือนผืนนาได้ว่าวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชพบเปรียบเหมือนผืนนาและก็เมล็ดพืชเนี่ยโตขึ้นมาเป็นต้นเนี่ยเพราะ ความเพลินเปรียบเหมือนน้ำที่เทลงไปคือนันทิราคะเพลินและพอใจพอจิตรับรู้ปั๊บมีพบเกิดเพลินพอใจต่อไปปุ๊บงอกเลยนะจิตรับรู้อารมณ์ปับ๊บพบเกิดรับรู้ต่อไปงอกแล้วเรียกว่าจเจริญงอกงามไผ่ปูนแล้วก็จบด้วยชลาหมอนะนะนะนเมื่อจิตไม่เข้าไปหาปั๊บเนี่ยที่ตั้งมันไม่มีเมื่อที่ตั้งมันไม่มีนะเพราะเราละความพอใจในอารมณ์ต่างๆได้ งานงอกงามของมันก็จะไม่มีเพราะมันไม่มีที่ตั้งมันก็จะงอกไม่ได้เห็นนะโอ้พระเจ้าอธิบายทีงแ่ขั้นตอนนะเราจะเห็นว่าอุปมาของพระเจ้าและการอธิบายของพระองค์จะสอดรับกันหมดนะ <c oughs> หลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมพลินิพันธ์เฉพาะตต้น วิญญาณเมื่อไม่เข้าไปสู่อารมณ์เนี่ยนะในที่สุดจะหลุดพ้นเราจะเห็นแม้แต่วิญญาณว่าวิญญาณก็มีการเกิดดับความพอใจในวิญญาณก็จะหมดความพอใจในรูปนามก็จะหมดนีสภาวะที่ตั้งมั่นนิ่งสนิทรู้อยู่ตลอดการว่าขันธ์ห้าเกิดดับยังไงเป็นยังไงก็จะปรากฏขึ้นกับบุคคลคนนั้นนะ เพราะละความพอใจในกันธ์หน้าได้นั่นก็จะมีวิชาเกิดขึ้นแล้วนั่นคือเกิดความยิน ด, ดีแล้วว่าเราเนี่ยหลุดพ้นจากขันธ์หน้านะพรายินดีในตนเองก็ไม่วันไหวนั่นคือสามารถกลับข้อมูมาสู่สภาวะที่ไม่วันไหวคือไม่เคลื่อนไม่มีการมากันไปเป็นป่าสุญตานิ่งนิ่งสนิท ซึ่งนั้นคือสภาวะเดิมของทุกๆคนที่พระเจ้าต้องการให้กลับไปสู่สภาวะเดิมตรงนั้นเป็นสภาวะที่ไม่ปรากฏการเกิดและการดับนะเมื่อไม่วันไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนนะนี่ก็จะคือกลับเข้าสู่สภาวะเดิมของตนเอง1 0อยเปอร์เซ็นต์ละทีนี้ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วการเกิดสิ้นลนะพระมจรรย์อยู่จบแล้ว คือมักมีองค์แปเนี่ยเราได้ประพฤติปฏิบัติจบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจที่จะทำเพื่อความเข้าสู่ความไม่ตายเนี่ยจบละกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกกิจที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยไม่ได้มีอีกละพอแต่กิจอื่นเพื่อยังประโยชน์ทางโลกก็ทำต่อไปตามเหตุปัจจัยนืม มีตัณหาเรียกว่ามีเพื่อนสองเห็นไหมไม่มีตัณหาก็เรียกว่าอยู่ผู้เดียวการมีตัณหาคือการมากาันไปจิตมาไปปั๊บนี่งมีเพื่อนละจิตออกไปรับรู้อารมณ์มีเพื่อนละอารมณ์นี่แหละคือเพื่อนสองนะพระเจ้าจึงบอกจิตที่มีความอยากตัณหาคือความอยากภาวะตัณหาอยากในการแสวงหาพบนี่คือเพื่อนละมีเพื่อนนะจิตที่ไม่มีความอยาก ในการเข้าไปสู่อารมก็คือเป็นผู้อยู่ผู้เดียวที่แท้จริงนะนี่ก็สอดรับกันอีกเห็ไนไะหตั้งแต่พบแม้ขณะลัดนิ้มือเดียวก็น่ารังเกียจนะาการละความเพลินจิตอย่าขยับออกไปนะขยับออกไปชื่อว่ามีเพื่อนสองนะ อ, อันนี้ตรัสไว้กับมิข่าละอันนี้อตามาก็พูดเรื่องนี้บ่อยอยู่ ในหน้าสิบเก้าละนันทนินี่ก็เป็นเป็นช็อตเด็ดของวิธีการละนันทิอีกเช่นกันนะด้วยพุทธวจนะบทสั้นๆนะว่าเพราะความสิ้นแปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นแปลงราคาคือความพอใจเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจคือตัวราคานี้ จึงมีความสิ้นแปลงความเปลี่ยนดูนะว่าตัวราคานี้นั่นคือสอดรับกับพระสูตรเมื่อสักครู่นี้คือราคาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณราคาในขันธ์ทั้ง5รูปธาตุเวทานาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเนีน่ยนะนั้นราคาตัวเดียวก็มีเหมือนกันที่พระเจ้าตรัสนะไม่ต้องพูดโทสะโมหะนั่นคือความพอใจในขันธ์ทั้ง5้าเลยเพราะความสิ้นแปลงราคาจึงมีความสิ้นแปลงนันที่ ถ้าวางความพอใจได้การเพลินก็จะไม่ม like ีเพราะความสิ <naive> <ๆ S 1> ้นแปลงนัน <yogurt> ทิละลาค่กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดีแค่ละความเพลินความพอใจจิตหลุดพ้นเลยเห็นไหมง่ายไหมจับประเด็นเดียวไม่ต้องไปทําอะไรเลยละความเพลินละความเพลินละความเพลินไปเลยเอาไปใช้กับทุกอายจตนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงเก็บประเด็นให้หมดละความเพลินจับตัวเดียวแล้วเก็บไปในทุกประเด็น จิตกำลังเพลินก็ละเพลินอยู่กับเสียงละตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าไว้นะในหน้ายี่สิบเอ็ดก็เป็นเรื่องของความเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสนะ ความเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยความเพลินเนี่ยแทรกไปอยู่ทุกที่เลยทุกอายาจนะ <c oughs> ในหน้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะจะเป็นเรื่องของเสาเขื่อนเสาหลักนะที่อรรมาก็พูดบ่อยอีกอเช่นกันรัศสดาให้ ตั้งไว้ซึ่งกายะคตาสติจะมีพสูตรหนึ่งที่ตัดอธิบายกายะคาตาสติว่ามีอะไรบ้างก็จะมีอนาปานะมีการเคลื่อนไหวรีบทอย่างนี้การเข้าชั 1, 2, 3, นหะนึ่งสองสมีนะี่ลวนเป็นกายะคาตาสติทั้งสิน้นนั่นนี่เราทราบว่าขณะที่เรารู้ลมไหลเข้าไหลอ่อนนั่นคือกายะคาตาสตินั่นเอง ในประสูมนี้ก็เน้นย้ำมากว่าให้ตั้งจิตอยู่กับกายและบอกว่ากายเนี่ยคือเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะนั้นจำคีย์เวิร์ดของพระเจ้าดีๆนะและการปฏิบัติเราจะง่ายไม่คิดมากไม่คิดเยอะนะคิดอะไรไม่ออกก็เอาจิตอยู่กับลมเข้าไว้เอาจิตอยู่กับกายนะง่ายๆ สอนรับกันอีกพระสูตรไม้ในหน้า29กระดองของบรรพชิตเห็นไนหะเปลียนเหมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองชันใดภิกษุ พ, พึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคือลมการภาวนาเนี่ยนะสํารวมอินทรีย์เหมือนกายยักตาสีเลยสํารวมจิตอยู่กับกายจบแล้วนะจะเห็นว่าพระสูตรไม่มีขัดกันคำสอนศาสดาขัดกันไม่ได้จะสอนรับรับรับรับกันหมด ตั้งแต่พระสูตรแรกพูดมาเจอตั้งผสูตรนี้ยังไม่เจอขัดกันเลยเห็นะอ่าไม่มีให้ปล่อยให้ไหลไปตามความเพลินเห็นไหมสำรวมหมดสำรวมสำรวมสำรวมเข้ามาอย่างนี้ต้องใช้ความเพียนเพื่อสำรวมอินทรีย์เข้ามาอืม <c oughs> <c oughs> ในหน้าสามสิบเอ็ดห็นนะเตาขด เอาไว้ไว้ในกระดองฉันใดปิจุ พ, พึงตั้งมโนวิตกความตื่นตึกทางใจเนี่ยตั้งจิตของเราเนี่ยไว้ในกระดองฉันนั้นเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ความอยากและความเห็นใดๆเนี่ยอิงอาศัยเ้าไม่ได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมดเป็นผู้ดับสนิทแล้ว น้3สสบามก็เปรียบเหมือนบุรุษถือหม้อ น, น้ำมันนะที่ผ่านยิงงามนะในชนบทที่นะกำลังร้องขับร้องฟ้อนลำกันอยู่นะแต่ถ้าน้ำมันหกแม้หยดเดียวเนี่ยบุรุษที่เดินถือดาบข้างหลังมาจะฟันขอให้ขาดนะมียิ่งชัดเจนนะจิตเครื่องออกจากกายปับ๊บมีขอขาดทันทีนะตายทันทีนะอืม ให้เราผ่านมาถึงหน้า40 <c oughs> ในหน้า40นี้เนี่ยจะเป็นการอธิบายเรื่องของอานาปาณสิตเป็นเหตุให้ได้ สติฐานสี่พชงเจ็ดวิชาไริมุทบริบูรณ์ขึ้นมานะเพราะบางคนเนี่ยจะมองไม่ออกว่าแค่นั่งรูล้ลมหายใจเนี่ยมันจะได้วิมุตตได้ยังไงมันโยงไม่เป็นนะโยงไปไม่ถึงพระสูตรนี้ก็จะเป็นพระสูตรที่สำคัญที่จะ ค, ค, ค่อยๆอธิบายไปตามลำดับว่าแค่นั่งรูล้ลมหายใจเขาออกเฉยๆเนี่ยมันถึงวิมุตตได้ยังไงน ะ, ะเราจะเข้าใจไปตามลาดับลาดับไปเรื่อยๆ จะเชื่อมโยงพระสูตรได้เห็นในตรงนี้นั่นตรงนี้พระองค์ก็บอกอาณาปณาสีเนี่ยคือทำอันเอกอีกเหมือนกันเพราะนั้นทำอันเอกเนี่ยมีเยอะสติปัฏฐานสี่ก็ทำอันเอกนะอาณาปาร์ก็ทำอันเอกนะ อ, านาากอือนะิสุทธ์ทั้งหลายอาณาปาณสีนี่แลเป็นทำอันเอกซึ่งเมื่อบุคคลจเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําสติปัฏฐานทั้งสีให้บริบูรณ์ สติปฐานสี่อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําโพชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์พ่อชงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําวิชาวิมุตต์ให้บริบูรณ์ได้นั้นยืนยันว่าแค่อนาปาอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่สมถะอย่างเดียวแน่นอนเป็นไปได้ถึงวิมุตติหลุดพ้นยืนยันโดยพระศ า, าสดานะ <c oughs> ผม่งก็นั่งอธิบายนะ ทำยังไงอนาปาหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเห็นไหมธรรมดาพื้นๆแค่นี้เองง่ายๆรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกไปเรื่อยๆนะก็ไล่ลาดับ การเจริญนาณาปนา 4, สี่กลุ่มนะคือกายเวทนาจิตําจนถึงหน้าสี่สิบหกนะ <c oughs> ว่าเจริญนานาปาอย่างเนี้ยย่อมทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ ทีน่นี้พอหน้า47ปั๊บเนี่ยจะเป็นการอธิบายสติปัฏฐานทั้ง4ในแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อซึ่งได้ธรรมนาปามาจนสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยสมบูรณ์แค่สมบูรณ์ในข้อข้อเดียวอย่างเช่นกายานุปัสนาสติปัฏฐานพูะเจา้าก็จะอธิบายไปจนถึงตัวโพชฌงเลยนะไม่ได้ไหลไปสู่เวทนาจิตตาแล้วก็ธรรมานะแค่ตัวเดียว สามารถไหลไปจนถึงวิมุตตได้เลยย้อนกลับมาเวทนาแล้วไหลไปถึงวิมุตตจิตตาแล้วไหลไปถึงวิมุตติสติปัฏฐานสี่แต่และอันสมบูรณ์ในตัวมันเองเสร็จนะทำข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะ ม, มาถึงช่วงนี้มีใครสงสัยประเด็นอะไรไหมเชินได้นะเช่นเนี่ยอ่าเช่น อ่านาม ก, กายข อ, อนิยามของคำว่านาม ก, กาย เ, เราไปดูคำว่านาม ก, กายแล้วเนี่ยให้นิยามค่อนข้างยากมากมีพระสูตรตรงนี้จำนวนมากกำลังรวมพระสูตรอยู่เหมือนกันว่าผู้เจ้าเนี่ยให้นิยามแค่ไหนน ะ, ะมีมีหลายแง่มุมค่อนข้างมากยังยังไม่อยากให้นิยามที่ชัดเจนลงไปนะแต่ให้เข้าใจให้ง่ายว่าคือการเข้าไปสัมผัส ด้วยตัวของตนเองจริงๆเหมือนว่ า, าถูกต้องวิโมกอันสงบด้วยนามกายก็คื อ, อากายจิตอารมณ์ของเราเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสรับรู้ถึงสภาวะนั้นเนี่ยด้วยตัวเองจริงๆทั้งรูปทั้งนามถูกต้องใช่อาจจะยังไม่อยากอธิบายจะเหมือนคล้ายๆกับคำว่าสุญตาหรือคํานิโรธพอไปเจอพระสูตรเยอะ ขอดว่าเป็นศัพท์ที่ผู้เจ้าเนี่ยใช้ครอบคลุมทั้งระบบสมุติละวิมุติเป็นคําที่ใช้กว้างมากสุญญาตาเนี่ยแต่ก่อนเราเคยคิดว่าเป็นนิพพานอย่างเดียวเพราะมันเป็นชื่อแทนนิพพานด้วยนะแต่ผู้เจ้าใช้ตั้งแต่ปฐมฌานถึงสัญญาเวทิตาโนและถึงนิพพานด้วยเลยสุญญาตานะตัวคําว่านิโรธก็ยังใช้ตั้งแต่การดับของขันธ์หจนกระทั่งถึงนิพพานเลยเหมือนกันใช้คาบเกี่ยว2ระบบเลยนะนั้น นิโรธในนิพพานก็คือขันธ์ห้านะนิโรธนะขันธ์หดับหมดก็คือนิพพานแต่ถ้าอกุศลดับก็จะเป็นปตมชานนะอกุศลนิโรธมิตรวิจารนิโรธนะอะไรนิโรธไปนิโรธดับดับดับก็จะนิ่งนิ่งขึ้นไปเรื่อยหรือทั้งขันธ์หดับสนิทก็คือนิโรธก็คือนิพพานเพราะฉะนั้นโยมจะไปเห็นความสอนรับตรงนี้กับในอริสัต4ีที่พิชิตจัดทุกสมุทัยนิโรธมัก และจะมีประสูตรที่ตัดทุกสมุทัยมรรคแล้วก็นิโรธซึ่งตัดกับกันตรงนี้เนี่ยจะมีน้อยพระสูตรมากที่เอามรรคขึ้นก่อนและนิโรธตามท้ายนะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเข้าใจในัยยะของนิโรธโดย2อนัยยะตรงนี้เราจะเข้าใจทันทีว่าผู้ชี่ยวไม่ได้ตัดผิดนะนั่นก็คือนิโรธตรงตัวแรกเนี่ยนั่นก็คือขันธ์หเกิดดับคนนั้นต้องรู้ว่าการดับของขันธ์หน้าเนี่ยจะเป็นเหตุให <c oughs> ให้ได้วิมุตต์แลว้วเมื่อเจริญมัคคือพยายามดับกันหน้าให้ได้แล้วเนี่ยก็จะได้นิโรธสุดท้ายนะก็คือวิมุตต์ขันหน้าดับหมดนั่นเองนั้นถ้าจะเรียงก็คือทุกสมุทยัยนิโรธมัคเราก็นิโรธอีกทีนิโรธตัวท้ายคือในยะ ท, ที่สองนะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ท่านพุทธานะเก็บมาเป็นประเด็นเหมือนกันเอ๊ะทํำไมพระเจ้าพูดเอามัคขึ้นก่อน แต่เอานิโรธมาต่อท้ายแต่ท่านไม่ได้ตอบเอาไว้แต่เราไปเจอเนี่ยในไนยะของคำว่านิโรธนะเราก็เลยสามารถที่จะตอบตรงนี้ได้นะเพราะจะมีคนถามผู้เจ้าว่าคำว่านิโรธนิโรธนั้นมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าค่ะนะพรองค์ก็บอกว่านิโรธหมายถึงความดับแห่งขันทั้งห้าคือความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ และอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกว่านิโรธคือวัยพ์ของนิพพานเป็นชื่อแทนนิพพานนั้นคำว่านิโรธก็ใช้กว้างเหมือนสุญญตาเหมือนกันคาบเกี่ยวสองระบบนะ <c oughs> เช่นเนี่ยส่วนในหน้ายี่สิบห้าเหรอ หน้ายีใช่ไหอือหื <laughs> วิชาจะใช่ไ่าตัเวเตัวเตัวเบวะไอตัวตรงนี้ะนะในเคยไปดูในบาลีสามรัดนะี่ มันจะเป็นตัวจุดอ่ะเขาในยุคหลังเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวเนี้ยมาเป็นตัวจุดนะออ่าถ้าถ้ามีอ่าถ้าเป็นททหารก็จะเป็นเดอะเวช่มไหมมีใครมีความรู้ตรงนี้ถูกต้องไหมนะอมเออลงขึ้น มีภาพขึ้นบาลีสามรัฐสมัยระะัหหอไมากฏว่าบาลีสามรัฐของยุคปัจจุบันกับยุครัชกาลที่5เครื่องหมายไม่เหมือนกันมีการปรปับปรุงเครื่องหมายโดยโดยยุคหลังอีกทีหนึ่งอันนี้คือเวอร์ชั่นเก่าสุดนี่อ่า ขยายอีกมั้ยอ่าเห็นอ่าอ่าแล้วก็สักอันหนึ่ง อ, อ่าพันเตดูคำว่าพันเตต ร, ตรงนี้นะนี่เห็นไหมอ่าพันเตมีแหานักการแล้วก็มีก็ยิบก็ยิบกันเลยนะง่ายๆแต่นี้อ่าตอนหลังนี่ เขาตัดสองตัวนี้ออกแล้วมาใส่จุดตรงนอนหนูเห็นไนหะตอนนี้บาลีจะเป็นพอนอนแล้วก็จุดเท่ากับรวมตัดสองอักขร ะ, ะตรงตรงเนี้ยมาเป็นจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับบาลีสามแลตนตัวนี้ตัวนี้ที่พิมมา จะเป็นพอนอจุดแล้วก็เตแต่ปรากฏว่าเวอร์ชั่นที่ออริจินัลเนี่ยไม่ได้ใช้จุด <c oughs> นะอันนี้เราก็เปรียบเทียบกันเราจะคือเรากลัวว่าตัวตัวนี้มีการลอกตกหล่นเราเลยอย่าไปหาเวอร์ชันที่เป็นออริจินัลที่รัชกาลที่5้าเนี่ยประชุมพระไหลรูปที่วัดพระแก้วนะ แล้วขอให้ช่วยกันทานะตรงนี้ขึ้นมาช่วยแปลาจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามครั้งแรกนะก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นตัวคอยเปรียบเทียบเช็คด้วยอีกทีห น, นะ <100. S 1> นึ่งนะอ่าอ่หน้าอะไรนะหนึ่งร้อยหรอ หนึ่งร้อหนึ่งร้อยหรือหนึ่งร้ายหนึ่งนะหนึ่งร้ยละหนึ่งร้อยบันทัดที่อ๋อรู้สึกจะมีทั้งสองอันนะอืมมีทั้งสองอันเลยลัคีวิมุต กับวิมุติิลงในบาลีสิอ่าเห็น่าตตา อทั้สองตัวตอนจุดมีแล้วนะมีแล้วก็ลอง อ, อ, อีกแบบนึงสิใช้ทั้งสองอันใช่ไหมอันนี้อันเดิม มอืมมีวิมุตตังวิมุตโตวิมุตเตนะก <c oughs> ็จะมีปรับไปหลายอันนะอืไมไ ม, ไม่ไม่ด้ฟิกตัวเดียวนะในของท่านผู้ใายก็จะใช้ทั้งสองอันเหมือนกัน อื่นมีไหมเช่นะสังการทั้งหลายคือที่ต่อจากอาวิชชาใช่ไหมคือระบบของกันหน้าทั้งหมดสังคตะสังคตะทั้งระบบเลยคือสังสารวัตทั้งระบบเนี่ยมีเพราะไม่รู้เท่านั้นเองถ้ารู้แล้วก็อยู่ที่อสังคตาคือวิมุตเป็นเพราะไม่รู้เนี่ยระบบนี้จึงเกิดมีขึ้นจากนั้นเนี่ย อธิบายการทํางานของระบบเนี้ยต้องแยกวิญญาณกับ น, นามรูปออกมาเพราะมันทํางานด้วยการที่วิญญาณเข้าไปรู้ในขันธ์หนึ่งสี่นะไม่แยกออกมาไม่ได้ก็เลยต้องแยกนามรูปเป็นเหตุได้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุได้เกิดนามรูปนะอย่างนี้นั้นจากการสังหารทั้งหลายต่อมาจึงเรียกว่าสังขารเฉยเฉยอย่างนี้นเพราะว่าถูกดึงวิ ญ, ญญาณออกมาตัวหนึ่งแล้ว นั้นสังขารทั้งหลายก็คือวิญญาณกับ น, นามลูกครบขันทั้งห้าทั้งหมดอย่างนี้หีอหือผู้ชาก็จะใช้ใกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารนะคือตัวสังขารทั้งหลายทั้งหมดได้นะมหรือเนี่ยไม่ต้องติดตามศาสดาเมื่อฟังธรรมเข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วยกเข้าไปปฏิบัตินะอนะืข้างหลังเช่น น้าหน้าไหนนะน้าหน้าไหนไม่ร <ak> nah, nah, nah ja e <ills> ู้น้าหน้าอะไรเนาะหน้ายี่ปลาอ๋อเพราะความช่างคร ดับไปเลยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นจึงมีความดับแห่งสังการแล้วเราอ๋ อ, อไม่ไ ม, ไม่ไม่จําเป็นจะต้องการดับอวิชชาจะต้องเป็นวิชาสามเท่านั้นคื อ, ค, อคือการดับไปของอวิชชาซึ่งจะเป็นประเด็นไหนก็ได้เพราะไม่ใช่ว่าพระอรหันตุกองค์จะได้วิชาสามหมดเพราะวิชาสามนั้นคือต้องได้ปุเพนิวาส า, านุสติญาณจุตูปปาตาญาณและ ยานในการสิ้นอสวะซึ่งปุเพนิวาสากาจูตูปปาตญาณพระอาารรา์เยอะแยะที่ไม่ได้นะอืมความหลงความไม่รู้ซึ่ง ถ, ถูกต้องซึ่งจะได้ซึ่งจะบรรลุ จ, จากมรรควิธีใดก็ได้มีเยอะมากเลย จิตกลับ ม, มาอยู่กับกายก็นิ่งไม่มีความคิดอะไรไก็รู้อยู่กับกายเฉยๆเช่นยมรู้ลมหายใจเข้าออกก็จะมารู้ว่าลมกําลังไหลเข้าไหลออกไ ม, มมไม่มีความคิดเพราะจิตเนี่ยรับได้ทีรับรู้ได้ทีละขัน้นทีละคั้นอย่างนี้ถ้าจิตมากอดอยู่กายณนะวินาทีนั้นจะไม่มีความคิดแต่ถ้าคิดปุ๊บเนี่ยหลุดจากกายไปแล้วนาะซิลวินาทีนั้นพระพุทธเจ้าบอกจิตมันเกิดดับเร็วมาก ยากที่จะหาแม้อุปมาด้วยซ้ำพระองค์บอกอย่างนี้มีคนสุขก็ไปเกาะเวทนาไง น, นั้นไล่ขันให้ครบห้าอ่าเสร็อมน ะ, นะ วิชาวิมุติบรุษชายอือวิชาตรงเนี้ก็คือจะตัวคือตัววิมุติยันทศนะนั่นเองผู้รู้ในวิมุตต์นะซึ่งพุทธาธาญาณิพานเป็ น, นสองอนนันจะมีวิมุตติกับวิมุตติยันทศนะและจะบอกว่าวิมุติยันทศนะเนี่ยตั้งอาศัยในวิมุตต์นะนั้นถ้าพูดให้เป็นแบบว่าเออเป็นตัวตนหน่อยก็คือ ตัววิมุตติยันทัศนะเนี่ยคือของแต่ละคนนะอ่าใช่ๆช่อ่ า, อาส่วนวิมุตตเนี่ยก็คือสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับและสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับที่เป็นส่วนของแต่ละคนเนี่ยก็คือตั้งอาศัยในวิมุตตอย่างนี้แต่สองอย่างเนี่ยมีความละเอียดเท่ากันทั้งวิมุตตและวิมุตติยานทัศนะซึ่งจะมีพระสูตรที่อธิบายว่าทั้งสองสภาวะเนี่ย ละเอียดเท่ากันไม่มีการมากันไปไม่ปรากฏการเกิดการเสื่อมอย่างนี้นั่นคือสภาวะของอสังขาเนี่ยจะมีความละเอียดที่เป็นหนึ่งเดียวนะแต่มีสองธรรมชาติแต่ละเอียดเท่ากันแต่สภาวะของสมมติเนี่ยจะมีหธรรมชาติและละเอียดไม่เท่ากันและจะมีธรรมชาติหนึ่งที่ตั้งอาศัยในอีกสี่ธรรมชาติคือวิญญาณที่เข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธรรมชาติอย่างนี้ นี่คือมุมต่างของทั้งสองระบบนี่นะเช่นราคาสิ้ไปนะฮะการเจริญสมถะก็ราคาสิ้นไปเหมือนกันใช่ฮะก็คือถ้าเราจเจริญสมถะอย่างเดียวจริงๆคือให้จิต นิ่งอย่างเดียวจริงๆก็คือจะทำให้จิตไม่มีการมากันไปในที่สุดก็จะหลุดพ้นแต่มุมที่จะหลุดพ้นก็จะต้องเห็นการเกิดการดับอยู่ดีนะถ้าไม่เห็นการเกิดการดับก็จะไม่หลุดพ้นแต่มันกำลังจะทำให้เราเห็นเกิดดับเพราะเมื่อโยมเกาะอยู่กับที่ที่เดียวได้สนิทจริงๆในที่สุดจิตที่เกาะอยู่กับที่ที่เดียวเนี่ยมันจะปรากฏความจริงของมันคือมันจะมีการดับ เราจะรู้ตัวทันทีเลยว่อ๋อไอผู้รู้ที่เกาะอยู่กับที่ที่เดียวที่เป็นสมถะที่สุดเหมือนก็ดับเพราะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนจะไม่มีจิตถาวรนะวิญญาณถาวรไม่มีก็อะไรแล้วที่สุดต้องดับแต่ดับแล้วจะไปไหนหรือจะอยู่ที่เดิมนี่แหละผู้เจ้าให้เอากลับมาที่นี่นะเอากลับมาที่นี่อีกอยู่สัพัดับอีกแล้วเอากลับมาที่นี่อย้ายมันไปไหน อน อ, อ, อ, อ, อ, อจิตต ส, สังคารในหน้ายีบสองเหรอสี่สิบสองจิตตสังคารสี่สิบสองอสี่สิบสองของของ อ๋อมากใช่ไหมสี่สิเอาจิตตะสังขารในบรรทัดลองสุดท้ายนะ <c oughs> รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขาร <c oughs> ทำจิตตะสังขารให้ลำงับจิตตะสังขารตรงนี้คือการปรุงแต่งของจิต เช่นปรุงไปในเรื่องของความคิดนะหรือตัวที่เกิดปิติเกิดสุขเองนี้ก็เป็นจิตตสังขารที่ขยับเคลื่อนออกจากผู้รู้เฉยๆออกไปนะไปปรุงแต่งละซึ่งเมื่อเรารู้จักจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับยมจะเห็นว่าต่อมาปั๊บเนี่ยเราจะเข้าถึงตัวจิตอย่างเดียวก็คือพระุทธเจ้าจะบอกเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเห็นนะเราจะรู้จัก จิตอย่างเดียวและผู้รู้อย่างเดียวยนี้นะนเพราะเราระงับจิตตสังขารได้ปั๊บเนี่ยจะรู้นิ่งๆอย่างเดียวรู้ในนี้มลม ห, หายใจเป็นกายสังขารลมหายใจเป็นกายสังขารไหมนะก็เป็นการการปรุงแต่งทางกายอยู่น ะ, ะจิตที่ปรุงแต่งทางกาย ลมหายใจเนี่ยผู้เจ้าจะจัดว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายพระองค์บอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ชื่อว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิสูจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ <c oughs> มีกายสังขารปรุงแต่งนะว่าให้จิตเนี่ยเกาะ อ, อยู่กับกายแต่ถ้ากายสังขารเนี่ยเรากาลังจะปรุงแต่งให้กายเนี่ยเป็นอื่นไป เป็นอื่นจากเดิมเพราะนั้นการสงบกายสังขารคือสงบการปรุงแต่งที่จะให้กายเป็นอื่นจากที่มันเคยเป็นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นการการเดินจงกรมก็สามารถทำจิตสังขารหรือกายสังขารให้ลากับได้เพราะว่าเราไม่ปรุงแต่งอาการทางกายให้เปลี่ยนไปจากการเดินนะเราก็จะเดินนิ่งๆอย่างนี้อ่านั้นก็จะไม่ใช่นั่งอย่างเดียว ถ้ามันจะมีสำนวนในการจะเห็นชัดกว่าตรงนี้นะเขาจะทำสำนวนได้ไดชัดกว่าก็คือการปรุงแต่งทางปรุงแต่งกายให้เป็นไปในแบบอื่นจากที่เคยเป็นอยู่อย่างเงี้ยก็จะใช้ได้ทั้งกับยินเดินนั่งนอนเราจะเข้าใจทันทีเลยอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> วันนี้ได้นำอาจาัอาเจ้าิการแล้วก็ดูที่ทานะครับงการัาประกากก็จะมีข้อที่จะมีนเรอนจารย์ช่วยอธิบายันแล้วก็ที ตายคิดว่าข้อสองว่าเ็เครือให้ถึงวิมุตตผมเรียกว่าหนึ่งในทำให้ถึงวิมุตห้าประการอออ๋โ อ, โ อ, โ, อ, โ, อโอ้มันจะยาวมากเหมือนกันนะเดี๋ยวเล่มนี้จะไม่จบอแถมอันเดียวก็อันอันเดียวก่อนล้วกันหนึ่งในทําให้ถึงวิมุตติห้าประการเนี่ย <c oughs> สาธยายธรรมเนี่ยเป็นเป็นเหตุอันหนึ่งในตรงนี้เนี่ยผู้เจ้าจะบอกถึงการแสดงธรรม แก่พิสุนะการแสดงธรรมแก่พิสุก็เป็นเหตุให้ถึงวิมุตได้เหมือนกันนะถ้าไม่ได้แสดงธรรมแก่พิสุก็แสดงธรรมแก่คารวะก็เป็นเหตุให้ได้ถึงวิมุตเหมือนกันนะขณะที่แสดงธรรมแก่พิสุหรือคารวะก็ตามาผู้แสดงธรรมเนี่ยจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดซึ่งธรรมไปพร้อมๆกันนะเขาจะเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่น และจะหลุปนได้เลยในขณะที่แสดงธรรมนะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการสาธยายธรรมนะก็คือตัวนี้ซึ่งการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อวิมุตตก็คือต้องอ่าสวดคาพระพุทธเจ้าสาธยายคาพระศาสดาต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเนี่ยก็จะเป็นอาการของการสาธยายที่เป็นไปเพื่อวิมุตต์นะ การสะทยายภาษาบาลีจะใช้คำว่าสัจชายะนะสัจชายะคือการสาทยายหรือที่เราเรียกว่าสวดมนต์เนี่ยนะเรียกว่าสาทยายธรรมส่วนอีกข้อหนึ่งนะในข้อที่สี่ก็คือการาคิดตรีตรึกในธรรมนะใครควรทำก็เป็นเหตุให้ถึงมิมุิได้ใครควรทำแล้วเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นในทุกๆข้อเนี่ยจะมี ว่าเมื่อทําแล้วเนี่ยจะเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นปิดท้ายด้วยตรงนี้ทั้งหมดเลยคือรวมเข้าไปที่จิตตั้งมั่นนะในข้อสุดท้ายอ่าข้อที่5ก็คือในเรื่องของอการเข้าชาน1 2 3 4นะอ่าเพะนั้นการเข้าชานหนึ่งสองก็เป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นใน4ระดับเนี่ยก็เป็นเหตุให้ถึงวิมุตติได้เมื่อคนคนนั้นเนี่ยตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5 นั้นต่อไปก็จะเข้าสู่วิมุตตได้นะอันนี้คือธรรมห้าประการที่เป็นไปเพื่อวิมุตตนะสัตยาธทกาจริงเป็นหนึ่งในนั้นในธรรมห้าประการนั้นเราก็เลยวงเล็บตรงนี้ไว้ให้นะว่าอันนี้ก็คือดึงมาจากพระสูตรตรงนี้นะก็ มันจะไม่ตรงกับพระสูตรนี่นะเพราะพระุทธเจ้าให้สะทายายในคําตถาคตเพราะไม่ไม่มีใครก็สะทายายในในคำที่ไม่ใช่คําตถาคตเพราะถ้าไม่สะทายายในคําตถาคตมันก็จะไปเข้ากับพระสูตรที่เธอไปฟังด้วยดีไปเงี่ยหูฟังในคําที่คนแต่งขึ้นใหม่ก็จะเป็นเหตุเปรียบเหมือนเนื้อไม้ใหม่ที่ทำเป็นริ่มตีเสริมก็ไปในรอยแตกของกลองก็เป็นเหตุให้พระสัตยธ ร, รมเสื่อมไปเรื่อยเรื่อยๆ เพราะเราจะไปสนใจบทพั น, นะใหม่นะที่แต่งเติมขึ้นเรากลับไปทรงจำบทพันธะใหม่ที่แต่งเติมขึ้นเราจะลืมคำศาสดาเพราะเราจะไม่ทรงจำคำศาสดาเป็นการเพิกถอนคำศาสดาโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่รู้ตัวนะนั้นก็พระศา ส, สดาจริงบัญญัติ ต, ตรงนี้อันนี้เป็นมนตาตรฐานอยู่แล้วในคำตาตาคดเพราะทุกๆพระสูตรพระเจ้าจะตอกย้าว่าให้ให้สนใจ ให้ฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเรียนในคำาตาคตอยู่แล้วในทุกๆวัสษูดอย่างที่ในแผ่นพับที่เราทำมาให้ตรงนี้เป็นตัวยืนยันสิกว่าพระสูตรนะที่พูะเจ้าตอกย้าเราจะเห็นความสอดรับกันว่าพูะเจ้าให้ใช้แต่คำตาตาคต ก็เดี๋ยวขอต่อจากหน้า40ไปต่อเนอะอดี่ยจะได้จบเล่ ม, มวิธีที่ง่ายอ่าหน้า54ในหน้า54ปฏิปทาที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนะ นี่จะเป็นเป็นมัคคุเทกที่ที่ง่ายที่พระเจ้าตัดไว้ด้วยพระองค์เองว่าอันเนี้ยสบายแน่นอนนะถ้าใช้มักคุเทนี้แต่ยากเหมือนกันนะปฏิบัติธเป็นที่สบายแก่การบรรลุพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรนะภิกษุในกรณีนี้ย่อมเห็นซึ่งจักษุว่าไม่เที่ยงเห็นนะเวลามีผัสสะกระทบเนี่ยพิณาทันทีเลยวะ <c oughs> นะแยกองค์ประกอบของผัสสะออกมา เห็นว่าตาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงวิญญาณทางตาไม่เที่ยงนะสัมผัสทางตาไม่เที่ยงคือก้อนทั้งก้อนเลยสัมผัสนี่คือทั้งก้อนของผัสสะเนี่ยนะว่ามันไม่เที่ยงคือบางคนเนี่ยแยกไม่ออกว่าผัสสะเนี่ยมันมีองค์ประกอบนะนั้นถ้าแยกออกก็ให้แยกว่ารูปที่เห็นด้วยตาลูกตาวิญญาณทางตานะและก็รวมทั้งก้อนก็ไม่เที่ยงทั้งหมดอย่างนี้ เวทนาอันเป็นสุขหรือทุกข์เป็นอทุกรมสุขที่เกิดขึ้นเพราะจากขูดสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาหรือสุขทุกข์อัตุกรมสุขนะไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงทั้งสิน้นธรรมาชาติที่ตามมาจากปัสสาะที่กระทบแล้วก็ไม่เที่ยงนะนั้นอ่ะ กระบวนการของการพิณาเรื่องผัสสะเนี่ยไหลามาได้ถึงเวทนานะถ้าใครยังพิณาเวทนาสุขทุกข์และรีบปล่อยก็ยังชื่อว่าอยู่ในกระบวนการของการพิณาผัสสะนะ <c oughs> แล้วก็อยู่ในปฏิปทาที่สบายแก่การบรรลุพระนิพพานประเด็นต่อไปไปดูหน้าเจ็สิเ็ <c oughs> หน้านี้ก็ดีมากเลยพระสูตรนี้สำคัญมาก <c oughs> เป็นเรื่องของการมาการไปนะซึ่งพู้เจ้าจะวันยายจิตที่มีมามีไปนะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราจะเห็นจิตมาจิตไปตลอดเวลาน ะ, ะเราจะได้ได้รายละเอียดของการมาการไปว่าจริงๆแล้วมาไปเนี่ยอาการมันเป็นยังไงนะ ลองมาดูในหน้า72สสองนะเมื่อนัตติไม่มีก็คือการน้อมไปไม่มีอาคติคติก็คือการมาไปย่อมไม่มีถ้าจิตไม่น้อมไปเนี่ยการมาการไปจะไม่มีนะนั้นเวลาที่เราตั้งจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจเข้าออกเนี่ยการที่มันมีมาไปเพราะจิตเราน้อมไปหาอารมณ์นั้นนั้นโทษใครไม่ได้เราเองเป็นผู้ที่น้อมไปสู่อารมณ์ นั้นผู้จ้าจึงบอกว่าถ้าการน้อมไปไม่มีเนี่ยจิตจะไม่มีมามีไปจิตจะนิ่งนะอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวไม่ขยับไปไหนตัวน้อมไปเนี่ยภาวะตัณหาภาวะคือพบตัณหา ค, คือความอยากอยากที่จะไปสร้างพบเห็นนะอืมอัคติคติยาอสตินะอืมจูตูปปาโตนะโหติก็คือเมื่อการมาไปไม่มี <c oughs> ตายและเกิดก็จะไม่มี นั่นคือเราจะเห็นว่าผู้เจ้าบอกขณะมาไปเนี่ยจะมีตายก่อนแล้วก็มีเกิดเห็นนะที่เคยบอกให้สังเกตหลายๆครั้งว่าผู้เจ้าจะไม่พูดเกิดแล้วก็ตายนะจะพูดตายแล้วก็เกิดเพราะขณะที่จิตเคลื่อนปั๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตดวงนี้วิ่งปุ๊บปุ๊ไปหาลมอั น, นี้แต่จิตดวงนี้จะดับจิตดวงใหม่จะเกิดประเด็นนี้สําคัญมากเพราะจะรู้ทันทีว่าจิตที่เคลื่อนไปนั้นเป็นจิตคนละดวงกันไม่ใช่จิตดวงเดียว นะและจะรู้ทันทีว่าจิตเนี่ยเกิดดับเพราะจะมีตายแล้วมีเกิดนะที่พระเจ้าจะยืนยันเอาไว้จะให้เราสังเกตเพราะตรงนี้สังเกตยากมากไม่มีใครเห็นหรอกเห็นยากมากนอกจากมีความละเอียดมากจริงๆนะนั่นมันเคลื่อนไปปุ๊บเร็ว ม, มากนะไปเห็นทีไรก็หายไปสิบนาทีแล้วห้านาทีสองสานาทีอย่างเนี้นรปุ๊บค่อยดึงกลับเห็นไหมจะเห็นรอยต่อจริงๆเนะี่ยโอ้ยากสุดๆ จุดตัปพระาเตอสติในวิธานาหุลังโนพรยามันตเตเรถ้าตายและเกิดไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่งางโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขสานนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกนั้นถ้าจิตไม่มีมาไม่มีไปนะนั่นแหละคือที่สุดของทุกแล้วนะในที่สุดเนี่ยจิตที่เกาะกับลมหายใจที่สุดมันจะดับ พอดับปั๊บเนี่ยก็อย่างที่เคยอธิบายว่าโยมจะต้องเกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายในวิญญาณอย่างถึงที่สุดแล้วมันจะไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่ต่อไปโยมจะปล่อยวางวิญญาณก็จะหลุดพ้นทันทีนะเพราะนั้นวิ ญ, ญญาณที่ดับและวิญญาณที่เกิดเมื่อวิญ ญ, ญาณคนละดวงกันมันจะต้องมีรอยต่อนะเพราะนั้นรอยต่อตรงนี้นั่นคือวิมุตติเรา ามันไปตลอดเวลาเลยเพราะความหลงเพราะความหลงคิดว่าวิญญาณเนี่ยเป็นเราเราเล็กควาวิญญาณดวงใหม่ตลอดทำยังไงจะละความพอใจในวิญญาณได้ไม่อยากได้วิญญาณอีกต่อไปไม่อยากได้เมื่อทำความไม่อยากได้จนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะวางวิญญาณนั่นคือเราจะเข้าวิมุตตทันทีผู้หลงจะไม่เกาะวิญญาณดวงใหม่เพราะหายหลงแล้วนะ ณวันนี้ผู้หลงผู้มีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นมันควาาวิญญาณดวงใหม่ตลอดนะเราไม่ทันตรงนี้เองนั้นให้เข้าใจหลักการตรงนี้ให้ดีจึงบอกพระสูตรนี้สําคัญมากนะในหน้าเจก็เป็นพระสูตรสักแต่ว่านะก็คือเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมปัติธรรมลม สักแต่ว่ามุมนี้ฟังดีๆเพราะเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าพอรู้แล้วก็ปล่อยรู้ต่อไปเป็นสักแต่ว่าซึ่งมันจะไปขัดกับพสูตรทั้งหมดที่ตรัสมาตั้งแต่หน้าแรกเข้าใจไหมเพราะมุมเข้าใจผิดนิดเดียวกลายเป็นว่าอะปล่อยรู้ไปสักแต่ว่ารู้ปับ๊บผิดทันทีเลยเพราะมันจะไปขัดกับพสูตรอื่นทั้งหมดที่สั่งให้ละความเพลินบอกอย่าเพลินให้สํารวมอินทรีย์ให้ลายต่อไลายพบแม่ชั่วรัดนิ้วมือเข้าหน่าลังเขียจอย่างนี้ เพราะนั้นสักแต่ว่าจะหมายถึงจิตรับรูปปรับเนี่ยให้ปล่อยทันทีสักแต่ว่ารู้ขึ้นมาแล้ววางซะรู้ขึ้นมาปรั๊บระ ว, วางซะรู้ขึ้นมาระ ว, วางซะอย่างนี้ต่างหากนะเพราะฉะนั้นไอค้คาภาษาไทย ว, ว่าสักแต่ว่ามันทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้จริงต้องเทียบเคยียงพระสูตรอื่นว่าอไอ้ที่เราเข้าใจว่าสักแต่ว่าแล้วปล่อยให้ไหลไปเนี่ยมันสอดรับกับพระสูตรอื่นบ้างไหมไม่สอดรับไปเลยสักพระสูตรไม่ใช่แล้ไม่ใช่แล้วเราเข้าใจผิดอะไรสักอย่างแน่ใช่ไหม อ่าหลักการแค่นั้นเองเข้าใจไหมงั้นพุทธวชนะต้องเอามาเทียบเคียงดูนะคำผู้ช า, ามไม่ขัดกันจะต้องสอดรับกันหมดนะอืาในหน้าแปดสิบนี่เอาไว้เวลาใกล้ๆกลตายนะอ่าจะประเด็นตรงนี้ทันทีให้มีสติสัมปทัญญะรอคอยการตาย เราคอย ก, การทํากาละอืมแล้วส่งสอนอะไรสอนสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสีก็ย้อนกลับไปว่าสมบูรณ์ได้อย่างไรด้วยอนาปา่าก็คือนั่งรู้ลมหายใจนอนรู้ลมหายใจไปเข้าออกเขาออกพอแล้วก่อนตายทําแค่นี้เห็นไนะ่าใครบอกอยางอื่ไม่เอาบอกดิฉันเชื่อพระพุทธเจ้ายอืม <laughs> ในหน้า87เนี่ย86 87จะเป็นเรื่องของทำทั้งปวงอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสเพธธรร ม, มานารังอภินิเวสายะ เวลาล่าปลุซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาจะรู้อะไรเพราะนั้นดูต่อท้ายด้วยก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะเขาจะเห็นจักสุดโดยประการอื่นจกักขวิญญาณโดยประการอื่นเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์นะโดยประการอื่นนั่นเมื่อศักแต่ว่ารู้แล้วเนี่ยนะหรือว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยนั่นคือเขาจะเห็นองค์ประกอบของภัสสะเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวเขาของเขา นะคือเห็นเป็นเห็นโดยประการอื่นนั่นเองคือไม่เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นอื่นจากเรานะมนี่ให้เข้าใจแง่มุมขององทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะซึ่งตัวธรรมอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้อวิชชาดับไป <c oughs> ในหน้าเก้าสิบสองทำห้าประการ ที่ไม่ห่างไปจากคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพอันนี้ก็ได้พูดบ่อยเหมือนกันเป็นเหตุให้ได้ความเป็นอรัตผลในปัจจุบันเลยหรื อ, อนาคามีผลถ้าคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพไม่ห่างจากห้าวิธีนี้ ไปดูหน้าน้อยหกผู้มีความเพียรตลอดเวลาถ้าเข้าใจพิสพสูตรนี้ก็จะปฏิบัติง่ายมากยืยนเดินนั่งนอนถ้าคอยละความคิดอกุศลชื่อว่าปลารบความเพียรอยู่ตลอดนะไล่รูปแบบมากเลยจะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่งกายยังไงก็ได้อยู่ท่าไหนก็ได้น ะ, ะแล้วจะเข้าใจว่าเรื่องการทำความเพียรเนี่ยมันมุ่งลงที่จิต จิตที่คอยละความเปลินกลอบในการละความเปลินคืออกุสนะเพราะนั้นโยมจะคิดเรื่องอะไรก็คิดได้ถ้ายังละความคิดไม่เค่อยได้แต่ขอให้ละความคิดอกุศนก่อนน ะ, ะเพราะนั้นถ้ารู้สึกว่าเอ๊ระทุกความคิดมันจะสู้ไม่ไหว <c oughs> ก็มาละแค่อกุศนก่อนนะกรารปฏิบัติเบียดเบียนเกิดมาแล้วก็วางวางวา ง, วางตลอด และโดยตรงกันข้ามก็คือหน้าร้อยเก้าคนขี้เกียจตลอดเวลาก็คือคนไม่ยอมละอกุศลจากจิตชี่ว่าขี้เกียจนะหรือถ้าจะไปดูอีกพระสูตรหนึ่งอกุศลที่เกิดมาเนี่ยจะเปรียบเหมือนไฟไหม้ลุกพงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะถ้ายมปล่อยให้อกุศลมันแช่อยู่ในใจนานนั่นะคือไฟไหม้ตัวในยมนาน นะหนังพองหมดแนนะ่นั้นถ้าโดยอุปมาแล้วก็ยิ่งชัดเจนว่านะไฟไหม้ผมเราแม่นิดเดียวต้องรีบดับทันทีนะอะกุศลเกิดขึ้นนิดหนึ่งปุ๊บรีบดับทันทีเลยซึ่งพระสูตรนั้นพู้เจ้าก็จะตัดว่าเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุสาหอุสละีปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนนั้นโยมต้องใช้ความเพี่ยนทุกอย่างประดังเข้าไป รีบดับนะอ่าสุดท้ายจบจนได้ร้อยสิบห้าปฏิบัติลำาบากรู้ได้ช้านะปฏิบัติลำบากรู้เร็วนะพวกทุกข์ขาปฏิปทา คิดป่าพญญากับตันตาพิญญ า, น, า, ญญานั้นปฏิบัติลําบากรู้เร็วก็มีรู้ช้าก็มปีปฏิบัติสบายรู้เร็วก็มีรู้ช้าก็มีลําบากสบายเนี่ยวัดกันตรงไหนวัดกันตร ง, ตรงได้ชาหนึ่งสองสามสี่หรือเปล่าเฉะนั้นตัวปฏิบัติสบายเนี่ยก็คือวัดกันที่กันได้ชาหนึ่งสองสามสี่ส่วนความเร็ว ช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอินทรีย์พรมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาห้าตัวนี้เป็นตัววัดว่าเร็วหรือชา้าน ะ, นะถ้าเก็บประเด็ น, นพระศาสด า, า, าได้จะเราจะได้รายละเอียดเยอะมากเลย <c oughs> วิญญาณที่ตัวหนึ่งใช่อะไรเปรู้วิญญาณอ๋อผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยเป็นผู้รู้วิญญาณมันมีสภาวะธรรมะหนึ่งที่ที่มีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมีตันหาเป็นเครื่องผูกยึดติดอยู่กับขันธ์ทั้งห้ายึดติดอยู่กับวิญญาณน่ะการรู้เบตนาสัญญาสังขารอย่างนี้อืม เ, อญญญเห็นนรกสัตว์ของมัน เห็นเกิดเห็น e ดับใชนะ้ตัวอริยสัจอย่างเดียวจับทุกขันเกิดดับนะสัจจะแห่งการเกิดและการดับไปนี่คือปัญญานะเครื่องวัดปัญญาเครื่องวัดศรัทธาคือโสตาปรเรียงคัตสเครื่องวัดความเพียรคือสัมประธานนะเครื่องวัดสมาธิคือชานหนึ่งสองสเครื่องวัดปัญญาคือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดและการดับนั้นใช้หลักการเดียวหมดกับทุกขันเลย นั่นคือย่อมต้องเห็นการเกิดดับของวิญญาณจะเห็นได้ยังไงวิญญาณเกิดดับกลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมกลับมาสู่เบสิกเดิมเลยเวลาจิตหายจากลมปั๊บนี่จิตดับลมยังมีอยู่ยังไหลเข้าไหลออกกายอะไรยังไม่ตายนะยังหายใจอยู่แต่ธรรมชาติที่หายไปจากลมหายใจคือใครก็คือวิญญาณขันคือจิตนั่นเองจะเห็นทันทีเลยนั้นเวลาเราตั้งไว้ซึ่งกายยักตาสติ เราจะได้ประโยชน์ต้องเห็นจิตเกิดดับด้วยเห็นนะการดูกายจึงเป็นการดูจิตโดยอตโนมัติซึ่งคนจะมองไม่ออกนะเช่นอ่าไม่อ่ออออเคยแยกให้ดูแล้วว่าสติกาวิญญาณนะสติก็คือสรุปและคือสังขาร นะซึ่งจะต้องทราบเรื่องพระสูตรของอชิตะที่ถามว่าสติปัญญาดับไหมผู้เจ้าบอกดับดับเมื่อนามรูปปรับนามรูปปรับเมื่อบิญยันดับจะไล่ดับอย่างนี้นะจะต้องทราบพระสูตรที่สัญญาเวทิเตนโลดคือดับลูกเวทนานะกับสัญญาได้3ามขันเหลือสังขารกับวิญญาณเกาะกันสองขันต้องรู้พระสูตรที่ผู้เจ้าอธิบายการหลุดพ้นของภาษาริบุตรว่า เมื่อเข้าสัญญาเวทิตานิโลดนั้นสารีบุตรมีสติเข้ามีสติออกแล้วหลุดพ้นนั่นแสดงว่าในสัญญาเวทิตานิโลดยังมีสติอยู่นะสติจึงไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาสัญญาตัดไปสามขันจะเหลือช้อยคือวิญญาณกับสังขารจะมาตอบโดยพระสูตรอชิตะที่บอกว่า สติปัญญาดับเมื่อนามรูปดับนั่นคือไม่ได้บอกวิญญาณสติปัญญาดับไปแล้วเมื่อนามรูปดับนั้นสติปัญญาคืออยู่ในส่วนนามรูปที่ไม่เกี่ยวกับวิญญาณนะซึ่งนามรูปถูกดับไปแล้วสามขันเหลือตัวเดียวคือสังขารนั้นสติกับปัญญาตรงนี้คือสังขารนั่นเองนะเนี่ยแกะทีละอันจับพสูตรพระสูตระตจะของพระเจ้าเนี่ยเราจะหาคําตอบได้จากพุทธวิชชานะเช่นเะนี่ย ไม่มีพุทธวจนะไม่มีพุทธวจนะที่ยยมพูดนิสาวกพูดนิพานเป็นอนัตตาใช่ที่เรียนมานั้นเป็นอตตักระตาตีไม่ได้เพราะตีจากฐานข้อมูลที่ผิดตีจากคำสาวกเพราะพระเจ้าไม่เคยตรัสฮะ ถูกต้องไ ม, ไม่ไม่มีทั้งวิญญาณด้วยขันท่าไม่มีในนั้นใช่ในนิพพานมีอะไรไม่มีขันท่าจัดไว้อยู่ว่าวไม่มีขันท่าวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้นะว <c oughs> ิญญาณรู้ได้แค่สี่ขันนะในระบบของสังคตะขันทั้งห้าเนี่ย <c oughs> เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏดับมี แต่สภาวะของวิมุตต์เก oh. ิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏดับไม่มีนะไม่มีการเสื่อมเรื่อยๆไม่มีนี่คือความแตกต่างกันวิญญาณรู้สี่ขันก็รู้ลูกไงเวทนาสัญญาสังขารขันห้านั่นเองนะเวลาแยกการทํางานจะต้องรู้ว่าวิญญาณเนี่ยเข้าไปทํางานในขันทั้งสี่ซึ่งพระเจ้าเรียกขันสี่ขันนี้ว่าวิญญาณทิติฐานที่ตั้งของวิญญาณ ทีติคือฐานที่ตั้งนะเพราะฉะนั้นขันธห้าต้องรู้จักต้องจํากันได้ได้อย่างนี้อเช่นเนี่ย เ, นนาาเกิดมาจากการเห็นรู้ทำเห็นธทมตามที่พระศาสดาบอกเพราะนั้นศรัทธามีหลายระดับมากศรัทธาในตอนแรกเนี่ยเขาศรัทธาว่าเฮ้ทำมันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภโกรธหลงในพิษในสมณะเนี่ยน่าจะมีน้อย ก็เลยมีศรัทธาปลูกศรัทธาในพิสูจน์นั้นเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียบโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจําทํานั้นไว้เริ่มไล่ไปตามการรู้ตามซึ่งเสธธรรมสิบขั้นตอนล่ะพอฟังธรรมปั๊บเอาไปไข้ควรพินาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ธรรมเนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันถ้าความพอใจเกิดขึ้นเริ่มมีศรัทธานั่นก็ไปอีกนะนั้นเมื่อมีศรัทธาแน่นเข้าไปเพ่งพิสูจน์ข้อาจดข้อทําเห็นจริงตามนั้นนี่แหละจะเกิดศรัทธาอันไม่หวั่นไหวในคําสอนของพระตถาคตตรงนั้น อเชนเนี่ยข้างหลังในปฏิปา่ก็มีาเป็นัที่มีสังขารทั้งหลายีติดใจอไปที่ว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยความะังขาาแล้วก็ใช่เข้าใจว่าทั้งเนียคือรูปาสัญญาสังขารออถูกต้องเลย เพวควรจะโยงกับกายสังขารหรือเปล่าหรือว่า <ừ> um. นาควรจะยกับจิตสังขารหรือยังไงบผมไม่ารจะยได้อวรงที่รองรับว่า า, าว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยกแคาว่าคันหาก็ขันห้าตัวขันห้าเนี่ยพูดได้อย่างว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นนะจะจะเริ่มชัดขึ้นเพราะว่า พอตาหูจมูกลิ้นกายใจคือขันห้าเนี่ยมันแล้วแต่คนจะพูดลงรายละเอียดส่วนไหนพูดลงรายละเอียดส่วนรูปจะพูดห้าอายทนะของรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและพูดสี่นามธรรมเนี่ยรวมเป็นอันเดียวคือใจอ่าอย่างเนี้ยอ่าฮะอืม อ, อืมแต่วินาสัญญาสัางขารกลับไม่ได้อฮะก็อยู่ในขันห้าอยู่อยู่ในขันห้า แต่เป็นการการอธิบายการทำงานไปแล้ ว, วมีการทำงานของกายสังขารการปรุงแต่งวถีสังขารมโนสังขารเนี่ยอย่างมโนสังขารเนี่ยผู้เจ้าก็จะบอกว่าปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณสังขารเข้าไปปรุงแต่งวิญญาณละคือเป็นการทำงานการครบละเริ่มเริ่มมีการมีการขยับละมีการปรุงแต่งเพราะนั้น ตัวปรุงแต่งเนี่ยจะปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งทุกอย่างเลยนะและสภาวะของขันทั้งหเนี่ยเป็นสภาวะของสังขตะคือธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้เพราะทุกตัวเรียกว่าสังขารได้หมดเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้เพราะฉะนั้นคําว่าสังขารเป็นคําที่กว้างมากขันห้าแต่ละตัวเรียกว่าสังขารได้หมดเพราะเป็นธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้ทั้งห้าตัวเลย อย่างเนี้ยอ่าสังขาจรจึงเป็นคำที่วกว้างอ่า อะไร อ, อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเวลาเราพิจนารณาอะไรไปเนี่ยเราจะไม่ได้พิจนารณาตัวเองเราจะไปพิจารณาสภาวะที่เกิดดับแปลผันใช่ไหมทน่นี้สภาวะที่เกิดดับแปลผันเนี่ยก็คือสภาวะที่ทุกอย่างเลยนะเสร็จแล้วเมื่อทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองด้วยนะ ก็คือตัวนี้ก็คือวิญญาณหรือที่เรียกว่าอีกอันว่าเอกภาวะนะแล้วก็นานาภาวะแล้วผู้เจ้าก็จะตบท้ายสัพพภาวะซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงหมดเลยพอดูคําว่าสัพพภาวะเนี่ยเกี่ยวกับนิพพานไหมเพราะยังไม่พูดถึงนิพพานแต่พูดสัพพภาวะเนี่ยภายใต้ตรงนี้ก่อนเอ๊ะทำไมมีสัพพภาวะตัวขันท่าทั้งหมดเลยนะอย่างเงี้ยคือสัพพภาวะ ก่อนพูดสภ า, าวะพูดเอกภาวะพูดนานาภาวะเยอะหมเยอะนานาภาวะสภ า, าวะแต่ยังพูดไม่ถึงนิพพานเลยแล้วก็บอกรู้นิพพานถึงจะมารู้นิพพานนั้นต้องรู้สภ า, าวะทั้งหอนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็เข้าถึงนิพพานอีกทีหนึ่งนะนั้นอย่างที่โยมเขาบอกว่าเรื่องอนิพพานเป็นอนัตตาเนี่ยคเนี้ย จะไม่มีในาพุทธวจนะแต่จะมีพุทธิพุทธเจ้าจับว่ารูปเป็นอนัตตาจักษุปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาขันห้าเป็นอนัตตาเนียมีเยอะมากนะแต่คาว่านิพพานเป็นอนัตตาจะไม่มีนะฮะสัพเพ ธ, ธรรมาน ต, ตานี่ถ้าเราไปดูในตรงนี้เนี่ยมันจะโยงไปคือปฏิจจสมุปบาทนะเคยโยงให้ดูแล้วว่าตัวสัพเพ ธ, ธรรมาน ต, ตานี่ คือทำฝ่ายปฏิจจสุบัทเพราะเวลาพูดศัพ์คําว่าสัพเพธรรมานตานี้พระเจ้าจะอธิบายรายละเอียดเนี่ยเหมือนกับปฏิจจสุบัทเลยนะว่าเพราะความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาน ะ, ะและความที่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึ ง, งเกิดขึ้นรายละเอียดของการอาธิบายนะสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สัพเพธรรมานตอาอธิบายเหมือนปฏิจจเป๊ะเลย ทุกจ้อยคําเปลี่ยนแค่นิดเดียวได้ได้ได้ไดตรงนี้ไหมอ่าเดี๋ยวดูให้ทําตรงนี้ตอนนั้นเคยเชื่อมโยงไว้ให้ดูนะพระเจ้าจะดึงคําว่าอิทัปปยาตาออกแล้วใ ส, ส่สัพเพสังขลานิจจ์เข้าไปดึงอิทัปปยตาออกแล้วใส่สัพเพสังขลาทุกขาดึงอิทัปปยตาออกแล้วใส่สัพเพธมานิตาเข้าไปนอกนั้นพูดเหมือนกันหมดเลยนะเนะนี่ย เราะตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็นตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่ลัทธเดียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเราต้องจําวลีคําพูดนี้ให้ได้นะแม่นๆเลยเพราะนี่คือการอธิบายปฏิจจสุบาทถ้าใครจําสายได้ทั้งหมดใช่ไหมอ่อาลองดูปฏิจจให้จบกันก็ได้นะ ตถาคตย่อมรู้พร้มเฉพาะถึงพร้มเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นคันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้มเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมเปิดตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยไล่มานี่นะต้องจําตรงนี้ได้ให้แม่นเดินนะแล้วจําต่อไปเพราะเห็นนั้นแลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิทตตาเป็นอนัญชตตาเป็นอิทธาปยตานี้เรียกว่าปฏิจจ์ปฏิจจ์คือขันหน้าใช่ไหมระบบของสังคตาใช่ไหมจำให้ดีนะ ไปดูสังการไม่เที่ยงและธทำเมียนตตานะถ้าฐาคดจะมังเกิดขึ้นหรือไม่มันเกิดขึ้ น, นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดานะเห็นไหม น, ะนี่ความตั้งอยู่แห่งธรรมดาเปลี่ยนอิทัาปยตาดึงออกปั๊บใส่สังการตั้งหลายตั้งปวงไม่เที่ยงเห็นไนหะนิดเดียวนั้นเองปุ๊บใส่ตรงนี้เข้าไปถึงบอกต้องจำแพทเทิร์นคําพูดของพระเจ้าให้แม่นนะ ปับ๊บเราเจนอะไรผู้เชา่าดึงนิดเดียวออกไปปุ๊บใส่ตรงนี้ก็เหมือนกันตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะเห็นไหมพูดเหมือนกันหมดเลยย่อมเปิดเผยย่มบัญญัติใช่ไหมปับ๊บดึงอะไรออกดึงอิทัาปยตาออกใส่สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียงเห็นนะอ่าอ่ ะ, อะไปดูต่อไปเหมือนกันเลยตรัสเหมือนกันเป๊ะหมดดึงอิทัาปยตาออกใส่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เห็นไหมแพทเทินี้เหมือนกัน ดึงอิทธิปยตาออกใส่สังการทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ไปดูต่อแพทเทิเดียวกันนะดึงอิทธิปยตาออกใส่ทําทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเห็นนะนั้นทําทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานั่นคือระบบปฏิจจาทั้งก้อนเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็คือขันธ์ท่านั่นเองนั้นคําว่าทําทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับนิพพานนะก็คือระบบของสังฆตาทั้งหมด นี่คือการอธิบายที่ที่เชื่อมโยงกันเวลาถ้าเราถ้าเราดูหลายๆลายพระสูตรเนี่ยในการเชื่อมโยงกันผู้ชาติจะดึงตุ๊บนิดเดีย่ยออกใส่อันใหม่เพื่อเชื่อมโยงธรรมะต่อไปอย่างนี้นั้นถึงบอกเราต้องจําแบบฟอร์มคําพูดของผู้ชา้าให้ได้ให้มันแม่นนะแล้วจะมีการนหนึ่งที่บอกว่าทำที่เป็นอนัตตาคือทำที่เป็นทุกข์ที่ตกลงเพะนั้นสิ่งใดเป็นอนัตตาในสิ่งนั้นเป็นทุกข์ และกำลังหลงอยู่นะแต่นิพพานเป็นทุกข์ไม่ได้ดับไม่ได้เพราะเกิดไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่ปรากฏเสื่อมมีไม่ได้เมื่อเสื่อมมีไม่ได้ดับมีไม่ได้ไ ม, มีพสูตรที่เป็นทุกข์ไให้ดูว่าทมที่เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นทุกขนะ์เพราะนั้นนิพพานจะเป็นทุกข์ไม่ได้นะ แหมกว่าจะหาพระสูตรมานําเสนอได้ไม่ง่ายนะเนี่ยมันยากว่าจะทําให้ทํำยังไงให้โยมเข้าใจคำพระพุทธเจ้านะเนี่ยเมือ่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนะตั้งแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เหมือนกันเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอ น, นัตตานะเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ นั่นก็คือทําที่เป็นอนัตตาเนะี่ยมันจะเป็นทุกข์นิพพานเป็นทุกข์ได้ยังไงโยมใช่ไหมไม่ได้เป็นไม่ได้พระสูตรมันจะขัดกันบานเลยเข้าใจไหมอืมเพราะนั้นคนที่เข้าใจตรงอสัพเพ ธ, ธ ร, รมมาว่าไปรวมถึงนิพพานด้วยไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วนะอืมเพราะนั้นธรรมสองฝั่งเนี้ยฝั่งนี้จะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏและเสื่อมเรื่อยๆและมีการดับนะอย่างที่เชื่อมโยงให้เห็นว่า เวลาผู้าพูดธรรมฝั่งนี้เนี่ยจะมีนัยยะก็คือนัยยะอริ ส, สัตถนะีพูดเกิดกระดับนะพูดเกิดกระดับนะอีกนัยยะหนึ่งจะพูดเกิดเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆนะไม่พูดดับนะอีกนัยยะหนึ่งจะพูดเสื่อมดับอนัตตาเวลาเสื่อมเนี่ยต้องพูดเกิดไหมของที่เสื่อมก็คือต้องเกิดมาก่อน นึกเกิดไม่ได้พูดจะพูดเสื่อมเลยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานะแล้วต่อจากอนัตตาจะบอกเนตังมะมะเนสโอมัสมินัเมโสอัตตานัเมสัตตากับอนัตตาไม่เหมือนกันนะเม <ME> ื่อเห็นความเป็นอนัตตาแล้วจะมีความรู้ว่านัเมโสอัตตาว่าสิ่งที่เป็นอนัตตานะ่ะมันไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างนี้คำว่าเนตังมมะเนสโอมัสมินัเมโสตตาไม่เคยมีใครมาสอนเลยหายไปจากระบบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ทั้งที่ผู้ชาตกตัดไว้มากเหลือเกินตัดไว้ต่อจากอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะเกิดปัญญาว่าเนตังมะมะเนโสโอมัสมินัมิโสตตาเห็นนะเนี่ยนั้นนั่นคือธรรมชาติฝ่ายขันธ์ทานเนี่ยมันจะมีเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆและดับถ้าเราเรียงกันหมดนะตั้งแต่อุ ป, ปาโทปัญญายติว่าโยปัญญายติคือเสื่อม ญญติตตสาญยตทังปัญญาตติก็คือเสื่มเรื่อยๆแล้วก็นิโรธคือดับแล้วก็นันดร์แล้วก็เนตังมามะเนโสโอมัสสมินั่ม่สวัตตานี่คือวิธีการทําความเข้าใจขั้นหน้าทั้งระบบนะส่วนฝั่งนี้น ะ, ะคนที่บอกนิพพานเป็นอนัตตาเนี่ยเขาเข้าใจถูกในความหมายของการที่ว่านิพพานเนี่ยยึดไม่ได้ถูกต้อง แต่การที่นิพพานยึดไม่ได้ไม่ได้ใช้คำว่าอนัตตาพระศาสดาจะใช้ปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงนะแทนกับละนันทิก็คือเขาไม่าจะไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานนะคีย์เวิร์ดของมันคือซึ่งในโดยความเป็นและก็ว่าของเราไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพาน ไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราไม่มีอนัตตาเลยวิธีในการปล่อยวางนิพพานนะนั้นเขาเข้าใจถูกว่านิพพานยึดไม่ได้แต่ไม่ได้ใช้อนัตตาเพราะอนัตตาเป็นการอธิบายของที่มีการเกิดปรากฏแต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏนะจึงต้องใช้ปฏิปทาตัวนี้นะและไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานห้าตัวนี้นะอ่า เพราะนั้นตัวนี้จะไปสอดรับกับปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะคือสมตัวเนตังมะมะเนสโอมัสมิณนะเมโสอัตตาเพราะฉนั้นตัวสามตัวนี้จะสอดรับแค่สองตัวพระเจ้าจะไม่เอาตัวนี้มาใช้กับ น, นิพพานคือณเมโสอัตตาเอามาใช้ไม่ได้เพราะอัตตาในนิพพานไม่มีนะเพราะอัตตามีได้เพราะ เกิดต้องปรากฏแต่นิพานเกิดไม่ปรากฏผู้เจ้าจึงตัดตัวนี้ไปหนึ่งตัวเราจะเห็นว่าคมมากผู้เจ้าไม่พลาดเลยสักช็อตถ้าผู้เจ้ามีนั่นเมโสตาในนิพานผู้เจ้าพูดผิดทันทีเลยนะแต่ไม่มีตัวนี้ตัดไปแต่จะเหลือแต่นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเราซึ่งสองตัวนี้ในปฏิปทาดับไม่เหลืออังสกายะมันมาสวมอยู่ในปฏิปทาให้ถึงความเพิกถอนความสําคัญมากใหม่ในสิ่งทั้งปวงอยู่แล้วสองตัว แต่ไม่มีตัวที่สามคือน้มัยสวาตาสุดยอดมากนะเพราะคําว่าอัตตามีเฉพาะของที่มีเกิดปรากฏแต่ภาวะนี้เกิดไม่ปรากฏนะนิยมเชื่อมดีๆน ะ, ะเพราะฉนั้นพระสูตรนี้ต้องจําให้แม่นก็คือหนึ่งปฏิบัติดับไม่เหลือแห่งสักกายสองปฏิบัติธรรมใหถึงการเพิกถอนความสาคัญบรรณหมายในสิ่งทั้งปวงการละนันทีนะแล้วก็ปฏิจจาร์ต้องจำพัดทตือนมันได้ให้หมดอเชิญ ถูกใช่ถูกต้องใช่นิพพานก็ถ้าจะให้คาจากัดความต้องพูดอย่างพระเจ้าเป้เลยว่านะอุปาโทปัญญาจติคือนี่พูดคุณสมบัติคือเกิดไม่ปรากฏ นาาโยปัญญาญติเสื่อมไม่ปรากฏนาตาิฏฐาสัญญาตตังปัญญาญติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาะวะยังปรากฏน่ะนนิพพานอ่าเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏและไม่มีการเสื่อมเรื่อยๆนั้นไม่ต้องพูดเรื่องดับดับไม่มีแน่นะเพราะนั้นภาวะนี้ที่เกิดไม่ปรากฏจึงไม่มีการเวลาเพราะการเวลานับนึ่งด้วยของเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏปั๊บนับเวลาเลยติกต๊กติๆกติกต๊กไปเรื่อยจนกว่ามันจะเสื่อมและดับ ดูตังมาเพราะนั้นธรรมชาติใดที่เกิดไม่ปรากฏปุ๊บดับจะไม่มีภาวะนี้จึงอากาลิโกนี่คือความหมายของอากาลิโกโดยในย่าที่สองนอกจากคําพุ่เจ้าใช้ไปได้เป็นปันปันปีแล้วในสภาวะธรรมของนิพพานไม่มีเวลาเพราะเกิดไม่ปรากฏนะอันนี้อันหนึง่งแล้วก็การอธิบาย น, นิพพานอีกอยันคือพุ่เจ้าจะบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่ ง, งบุคคลพึงรู้แจ้งมันมีสิ่งหนึ่งนะที่คนเข้าไปรู้แจ้ง เป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดมันไม่มีปรากฏกา ร, iens, ไ, มมร enza, ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองและมันไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบแต่มันมีวิธีปฏิบัติ ท, ที่จะเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี mothers, ers, ่ยไม่มีดินน้ำไฟลมคือดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่อาจหยั่งลงได้หรือไม่มีในสิ่งนั้นนะการไม่หยั่งลงได้คือไม่มีสิ่งนี้ในภาวะนิพพานในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีความกว้างยาวเล็กส้นใหญ่งามไม่งามคือมิติไม่มีเลยนะ ในห้องเนี่ยเราเห็นกว้างยาวเล็กคือถ้าใครเห็นนิพพานแล้วมีมิติไม่ใช่ละพาไปนิพพานแล้วเห็นวิมานเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสวยไหมงามไหมไม่ใช่ละเพราะงามไม่งามจะไม่มีมิติจะไม่มีนะนี่คือวิธีการอธิบายนิพพานแบบพระศาสดาจะอธิบายภายใต้สิ่งที่เรารู้จักและบอกสิ่งที่เรารู้จักว่าไม่มีนะเพราะตัวสภาวะนิพพานอธิบายไม่ได้นะเพราะการบัญญัติอะไรขึ้นมาก็ตาม ต้องบัญญัติภายใต้สิ่งที่มีการเกิดปรากฏถูกต้องไหมโยมจะเรียกอะตอมอิเล็กตรอนสักนิดหนึ่งต้องมีโผรขึ้นมาสักนิดนึงให้เห็นแต่เมื่อเกิดไม่ปรากฏโยมจึงบัญญัติอะไรไม่ได้อเข้าใจนะนี่ข้าศูนรลวน้ลวนทั้งนั้นเลยไม่มีอัตกถาดั้นถ้าใช้อัตกถาเพราะว่าเรียบร้อยโยมโยมจะงงไปหมดเลยอัตกถามันจะตีกันเองและจะไปขัดกับพุทธวจะนะด้วยนะอ่า ขอเข้าใจนะอุ้ยมีสามทุ่มกว่าแล้วนั่นนี่จะเลเวลามาเยอะนะอ่าก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะวันนี้คงได้ความรู้มากก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยนให้เรามีความเจริญในคำของตถาคตคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาตามเหตุที่ได้สร้างมาอย่างถูกต้องตามธรรมวินัย ในที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมักผลนิพพานในนาคาทุกการั้นใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเตือง